ช่วงนี้ก็มีคณะนักศึกษาชาวอเมริกันมาพักที่วัดป่าสุกโตวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะเขาจะอยู่ประมาณ 5, 4ี่คืนห้าวันอันนี้ก็ไม่ใช่คณะแรกที่มานะมีหลายคณะมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาโครงการเดียวกันนะ เขาอยากจะมาศึกษาเรื่องพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติตอนนี้เราคงทราบดีว่าฝรั่งเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะหลังจากที่บรรพบรุษเข้านี่ทำลายสิ่งแวดล้อมมามากมายนะทางป่าทำให้สัตว์หลายๆชนิดเนี่ยสูญพันธุ์ไป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 อุทยานแห่งชาติที่เป็นแห่งแรกในโลกนะก็เกิดขึ้นที่อเมริกา เ, เดี๋ยวนี้ก็ยอมรับกันว่าเนี่ยการอนุรักษ์ธรรมชาติส่วนนันคือการรักษาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้เป็นอุทยานแห่งชาติบ้างหรือเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป, ป่าบ้างอันนี้ก็รเริ่มมาที่ประเทศอเมริกา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 ที่ให้ความสำคัญนะกับธรรมชาติศนะาสนาอื่นเนี่ยเขาถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้านายของธรรมชาติธรรมชาติมีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นะตามพระประสงค์ของพระเจ้าบ้างหรือว่าตามความเชื่อของเขานะแต่พุทธศาสนาเนี่ยนะก็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 ตัดกิ่งลิดใบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัตถถ้าไม่ป่วยเนี่ยน่าจะไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้วนน้ำลายลงในน้ำลงในของเขียวเนี่ยก็ไม่ได้นะอันนี้คารวะจะไม่ค่อยทราบนะแต่ว่าใครที่เป็นพระนี่ก็ต้องอทราบวินัยหรือสิกขาบทเหล่านี้เขาก็มาที่พระป่าสุโกโตเพื่อที่จะม า, าศึกษาว่า พุทธศาสนานี่นะมีแนวคิดอย่างไรเืียวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอธิบนะาตที่นี่ส่วนนึงก็เพราะที่นี่เป็นวัดป่าอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าก็มีบทบาทในเรื่องการอนุรักษ์ป่านะมาตั้งแต่สมัยนะหลวงพ่อคำเคียร์หลวงพ่อบุญธรรมแล้วนะถ้าไม่ทาไม่อนุรักษ์ป่านี่ป่านี้นะ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 ที่นั่นก็จะสงบร่มครึ้มนะคนไม่ค่อยไปยุ่มย่ามอะไรด้วยเพราะก็เชื่อว่ามีมีผีนะมีปู่ย่าหรือว่ามีาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองรักษาบางทีไปตัดไม้นะในในสถานที่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดล้มป่วยในเวลาต่อมาก็ได้ไอ้ที่ล้มป่วยนี่อาจจะเป็นเพราะเหตุอื่นนะแต่คนก็เชื่อว่านี่เป็นเพราะ ไปตัดต้นไม้นะในสารปู่ตาในป่าที่มีสารปู่ตาที่นี่ไม่มีแล้วนะแต่ว่าที่ภูหลงเนี่ยมันก็ยังมีสารปู่ตาอยูนะ่แล้วก็เป็นที่ที่ชาวบ้านนี่ก็ให้ความเคารพความยำเกรงมากต้นไม้ให ญ, ใหญ่ๆก็ยังมีอยู่เยอะจนะมีคำพูดว่าเนี่ยเมืองไทยเนี่ยพระกับผีเนี่ยช่วยอนุรักษ์ป่าไว้ ที่เจ้าที่บ้านเมืองทำไม่ได้บางทีเจ้าที่บางคนก็ร่วมมือนะกับนายทุนช่วยลักตัดไม้ก็มีนะอันนี้ก็มีข่าวคราวอยู่เสมอนอกจากม า, าศึกษาเรื่องพุทธศาสนาะกับการรัธรรมชาติแล้วเขาก็สนใจเรื่องสมาธิภาวนานนะ พุทธศาสนาเนี่ยก็มีชื่อเสียงหรือจุดเด่นเนี่ยสัดฝรัร่งก็มีอยู่สองสเรื่องเรื่องหนึ่งก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเคารพธรรมชาติอีกเรื่องนึงก็คือการทําสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้นี่สมาธิภาวนานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องอข่ำครึ้นะของคนหัวโบราณนะ ในอเมริกาในยนะุโรปการทำสมาธิภาวนานะเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมบางทีถือกับเป็นการมีการมองว่าเท่ดยซ้ำนะใครที่ทำสมาธิใครที่เล่นโยคะนะนะเาถือว่าเท่รวมทั้งใครที่อนุรักษ์ธรรมชาติเช่นไปไหนมาไหนก็ขี่จั ก, กรยานนะนะเขาก็ถือว่า เป็นคนมีสํานึกนะก็มีภาพลักษณ์ที่ดีนะาการทาสมาธิภาวนาที่ปัจจุบันจะรับคำนิยมเนี่ยคือการเจริญสตินะพเพราะพบว่าการเจริญสติเนี่ยมันมันมีประโยชน์มากมายนะมีประโยชน์ทั้งในแง่การเยียวยารักษาคนที่มีความทุกข์ทางใจหรือคนที่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 นะใจไม่ต้องนึกอะไรนะให้ศักท์ตะวันได้ยินเนะี่ยอันนี้ก็มีวิธีการที่หลากหลายมากนะในการใช้การเจริญสติเนี่ยนะไม่ใช่แค่ช่วยเยียวยา ร, รักษาคนเจ็บคนป่วยนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้นนะบางทีก็ไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนของเด็กนะเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ย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 นะสมาธิก็สั้นจดจ่อกับอะไรไม่ได้นานๆถ้ามันเป็นภาพนิ่งนะจดจ่อได้ไม่เกินนะหนึนาทีก็เบื่อละมันต้องมีภาพที่เคลื่อนไหวนะนิ่งอยู่ตลอด เ, ลเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะจะนิ่งแช่ไม่ได้แก็ให้เด็กมาเรียนรู้เรื่องการจดสติแล้วก็พบว่าเด็กนีนอกจากอารมณ์จะดีขึ้นก้าวร้าวน้อยลงแล้ว บอกว่าผลการเรียนก็ดีขึ้นด้วยนะอันนี้เขาทำกับเด็กประถมนะอันนี้ฝรั่งก็สนใจนะเรื่องการทำสมาธิภาวนาก็อยากจะชิมลองดูนะนนก็ได้แนะนำให้เขาลองปฏิบัติแล้วก็ไปทำกันเองอีกทีนะเมื่อเวลาว่างๆ ว, วันนี้เา ก, ก็ก็พาเขาไปปีกวิเวกในป่า ป่าที่ไปก็คือป่าภูกลางป่าภูกลางก็มีเนื้อที่ประมาณพันไร่อยู่บ้านท่าทางเกวียนก็เป็นป่าพื้นหนึ่งหน้าทีา่ยังมีสภาพป่าพอใช้ได้แต่ว่าสิงสารสัตว์ก็หายไปเยอะไม้พยุงก็ถูกตัดไปมากนะตอนที่ขึ้นไปนเมื่อตอนเช้าก็เห็น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 ห่างกันประมาณร0 0เมตรนะรอเมตรนี่อาจจะดูไม่ไม่ไกลนะแต่ในป่าเนี่ยมันก็มองไม่เห็นกันอนะ่ะมาไปหย่อนเขาให้เขาให้เขาอยู่กับธรรมชาติบอกเขาว่านี่ไม่ต้องไม่ต้องเขียนไม่ต้องอ่านอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับตัวเองเริ่มต้นจากการที่ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัว ให้พยายามอยู่แบบกลมเกลือนกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินที่นั่งอยู่ให้เขารับรู้นะเสียงของนกนะหรือว่าสัมผัสกลิ่นของดอกไม้หรือต้นไม้ที่มันมากระทบให้เป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ต้องคิดอะไรนะใช้แต่การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นศักแต่ว่าเห็นศักแต่ว่าได้ยินนะ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 ป่านี่เนี่ยนะมันมีสิงสารสัต์น้อยไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกนะอันนี้เป็นความคิดนะต้องต้องซักอีกนะอยู่นานถึงจะตอบว่าเป็นความรู้สึกนะแต่ น, นี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นกับฝรั่งพวกกลุ่มนี้นะเพราะว่าเขาก็พอจะอรับรู้เรื่องความรู้สึกมาในระดับหนึ่งก็ให้ไป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 บางคนก็เป็นผู้จัดนทีพิพิธภัณฑ์คือโดยอาชีพการงานก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าธรรมชาติที่เขาคุ้นเคยมาเป็นป่านะเป็นป่าแบบป่าเขตอบอุ่นหรือป่าเขตหนาวซึ่งมันต่างจากป่าเขตร้อนมากป่าเขตร้อนอย่างบ้านเรานี่ต้นไม้มันลกไปหมดเลยนะแล้วก็นาน า, นานชนิดมากแล้วแถมยีงมีแมลงเยอะแยะ หลายคนนีนะ่ประมาณครึ่งชั่วโมงแรกก็รู้สึกระแวงรู้สึกระวังภัยนะพอไม่คุ้นเคยบานะงทีก็เจอกิ้งกือนะกิ่งกือในป่าเนี่ยผูกลรามก็ใหญ่นะเหมือนกับป่าสุกโตเนี่ยบางทีก็มีมดนะมีผึ้งเนี่ยวนี้บางคนก็กลัวผึ้งนะเพราะก็แพ้นะ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 นะหรือว่าเราอยู่วัดเราก็อยู่แต่ในวัดเราไม่ค่อยกล้าจ อ, อกไปไหนที่เราไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะที่มันมีความไม่แน่นอนอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มีโอกาสที่ได้เห็นกิเลส ข, ของตัวได้เวลาเราอยู่ในที่ที่คุ้นเคยที่สบายเนี่ยกิเลสมัน ก, ก็กบดานนะแต่พอมีแรมากระทบนะเพราะว่าความไม่คุ้นเคยกิเลสมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมา กิเลสอาจจะเป็นความกลัวนะเราก็ได้เห็นความกลัวของเรานะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋ออะไรเนี่ยที่ทำให้เรามีความกลัวนะบางทีความโลภนะความอยากก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็มันก็เราได้ก็ทำให้เราได้เห็นเหมือนกันนะ บางอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยเราไม่มีอะไรแล้วเราสบายแล้วแต่พอไปที่ที่ลำบากเนี่ยโอ้มันก็จะอยากโน่นอยากนี่อย่างคนที่อยว่าแต่มาป่าเลยนะมามาที่วัดเนี่ยนะปฏิบัติใหมาเขาก็จะคิดโน่นคิดนี่ในเรื่องที่เป็นการมฉันทะนะอยากกินโน่นอยากกินนีนะ่แต่ก่อนก็กินจนเป็นเรื่องธรรมดาเช่นน้ําอัดลมไอติม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 คือฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าความสุขเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมีถ้าไม่มีความสุขเนี่ยแสด ง, สงว่าผิดปกติแล้วน ะ, นะ iam, หลายคนเนี่ยเห็นคนหนึ่งเขามีความสุขเราไม่มีคนเห็นคนหนึ่งเขามีความสุขแต่เราไม่มีความสุขเขนี่ยก็รู้สึกสงสัยว่าเราผิดปกติหรือเปล่านะแต่ว่าแล้วก็ไม่เคยสงสัยนะในเรื่องความคิดแบบนี้ว่า้ความสุขเนี่ยเราต้องมีกันทุกคนนะ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 ที่เรามีความทุกข์ไ ม, ม่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดที่เราไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะรู้สึกว่าเราต้องมีความสุขให้ได้นะถ้าไม่มีแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วเราหรือเวลามามามาภาวนาเนี่ยนะต้องมีความสงบให้ได้นะถ้าไม่มีความสงบแสดงว่าเรามีปัญหาละจริงๆความไม่สงบนะถ้ามันเกิดขึ้นในใจก็ ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกับมันก็ไม่มีอะไรนะก็เห็นความไม่สงบเกิดขึ้นในใจนะเวลาสงบก็ก็รู้นะไม่ได้ปราบปลื้มอะไรไม่ได้เพลิดเพลินอะไรกับมันคือผู้นานคือไม่ยินดีกับมันเวลามันไม่สงบนะก็ไม่ได้ยินร้ายกับมันนะก็รู้วมเป็นธรรมดา อันนี้ก็บางทีเราก็ลองมาคิดในแง่ีิบ้างนะเรื่องความสุขหรือความความสุขหรือความความทุกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นว่าเราต้องมีความสุขตลอดเวลาถึงเวลาที่เราไม่มีความสุขเรายอมรับได้พอเรายอมรับได้นี่ปุ๊บนี่นะมันสงบไปเลยนะความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยพอเจ็บป่วยนี่ก็โหยตีโพยตีพายทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นนะ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 มีแดดที่รอ้อนมีแมลงนะแต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือความสงบนะที่มันสามารถเกิดขึ้นได้พระพระทุทธองค์เนี่ยนะทร ง, ทร ง, ส, งส่งเสริมแนะนํำให้พระเนี่ยนะไปไปหาความสงบนะไปหาความสงบในป่านะและความสงบในป่าเนี่ยที่จะน้อมนําจิตใจทําให้นะเห็นศักดิ์ธรรมนะ พระอรหันต์หลายท่านเนี่ยท่านไปในป่าแล้วเนี่ยว่าท่านมีความสุขมากเลยแต่ไม่ใช่ความสุขแบบแบบเพลิดเพลินยินดีนะมันเป็นความสุขที่ทําให้เกิดกาลังใจในการที่จะบําเพ็ญภาวนาอย่างพระอรหันต์ท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเป็นยังเป็ น, ย, ปนยังเป็นเสขบุคคลเนี่ยคือยังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็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 คือพอสงบแล้วเนี่ยนะไม่ใช่สงบเฉยๆนะพอเจอธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยไม่ใช่เพลิดเพลินยินดีอย่างเดียวนะอาศัยความความงดงามเนี่ยของธรรมชาตินะเช่นกลิ่นที่อบอวลช่วยน้อมใจให้สงบนะและเพื่อจะได้เกิดความตั้งมั่นในการที่จะขจัดอวิชชาเนะี่ยไปจากจิตใจ บางคนเนี่ยพอไปเห็นธรรมชาติที่สงบแล้วก็เคลิ้มนะเหมือนกับถูกกล่อมแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรต่ออย่างมากก็ถ่ายรูปนะแต่ว่าถ้าเราเห็นความสงบได้สัมผัสแล้วความสงบเกิดความสุขขึ้นมานะก็ใช้ความสุขความสงบนั่นแหละนะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนา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 ให้เราได้ที่ธรรมชาติสอนทำตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเพราะว่าวาวุ่นฟุ้งซ่านแต่พอใจสงบนะจิตว่างเนี่ยนะก็จะเห็นสัจธรรมนะที่ธรรมชาติแสดงออกมาไม่ใช่แค่ธรรมชาติภายนอกเท่านั้นนะมันรวมถึงธรรมชาติภายในก็คือกายและใจนี่แหละไอความจริงเนี่ยของกายและใจเนี่ยมันแสดงออกมาตลอดเวลานะมันไม่เทียงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แต่ว่าเพราะใจเราไม่ว่างใจมีอวิชชาบดบังเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นความจริงที่ธรรมชาติแสดงออกมาไม่ว่าจากกายและใจเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนแต่พอเราบำเพ็ญภาวนาเนี่ยจนใจสงบนะแล้วก็มีสตนะิมีเรียกว่าตัวผู้รู้เนี่ยหรือตัวผู้เห็นเนี่ยนะมันเด่นชัดเนี่ยคราวนี้แหละนะ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 ก็อาศัยธรรมชาตินี่แหละนะสถานที่ที่ท่านเรียกว่าลมมณีสถานเนี่ยเกื้อกูลทำให้ได้ตัสรูเนี่ยพระสัมมาสัมพทธิญาณได้อาคำนี้ก็เพ่อเท่านี้นะกลับพระ